ทรงอนุญาตการบวชเป็นสงฆ์พรามผู้หนึ่งชื่อราทะขอบวชไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพรามนี้ได้บ้างพระสารีบุตรตอบว่าท่านระลึกได้ว่าพรามผู้นี้เคยถวายอาหารแก่ท่านทัพพีหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสรรเสริญที่กตัญญูและมอบให้พระสารีบุตรบวชให้พราหมณ์นั้นโดยทรงแสดงวิธีบวชเป็นการสงฆ์ที่เรียกว่ายติจตุตถะการรมะอุปสัมปทาคือการบวช ด, ด้วยกรรมมีการเสนอยติเป็นที่สี่คือเป็นการเสนอยติของอนุมัติสงฆ์หนึ่งครั้งเป็นการสวดประกาศฟังมติว่าจะคัดค้านหรือไม่อีกสามครั้ง ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นคือผู้บวชประพฤติไม่เรียบร้อยและอ้างว่าไม่ได้ขอบวชประบวชให้เองจึงทรงอนุญาตให้บวชเฉพาะแก่ผู้ขอบวชผู้บวชเพราะเห็นแก่ท้องพรามผู้หนึ่งเห็นว่าบวชแล้วกินอิ่มนอนหลับจึงออกบวชครั้นอาหารที่เขาถวายประจำหมดวาระภิกษุทั้งหลาย จึงชวนออกบินทบาตก็กล่าวว่าจะศึกเพราะคิดว่าจะบวชโดยไม่ต้องบินทบาตมีผู้ติดเตียนว่าบวชเพราะเห็นแก่ท้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้บอกนิสัยสี่แก่ผู้บวชใหม่นิสัยสี่คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตอันได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เพื่อซ้อมความเข้าใจกันก่อนว่าแม้ไม่ฟุ่มเฟื่อยแต่เป็นของพออาศัยดํารงชีพอยู่ได้ก็ต้องอดทนเช่นอาหารที่เที่ยวบินทบาศได้มาผ้าที่เก็บตกมาปฏติปะต่ะตอพอทานุ่งหม่มที่อยู่อื่นไม่มีก็ใช้โขนไม้ยาอื่นไม่มีก็ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเนา่าซึ่งปัจจุบันพบกันว่าเป็นยาปฏิชีวนะ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการบวช 1. ภิกษุบอกนิสัยก่อนผู้บวชไม่พอใจจึงทรงห้ามบอกนิสัยก่อนแต่ให้บอกเมื่อบวชเสร็จแล้วในเวลาติดติดกันทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้บอกนิสัยก่อน 2. ภิกษุที่ร่วมในการบวชเป็นคณะคือสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้าง ทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุที่ให้บวชมีคณะต่ำกว่าสิบสำหรับคณะครบสิบหรือเกินสิบให้บวชได้ 3. ภิกษุมีพรรษาหนึ่งบ้างสองบ้างให้สัตธิวิหาริกบวชแม้พระอุปเสนวางคันตะบุตรมีพรรษาเพียงหนึ่งก็ให้สัตธิวิหาริกอุปสมบท จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้มีพรรษาย่อนกว่าสิบที่บวชให้สัตธิวิหาริกสำหรับพรรษาครบสิบหรือเกินสิบให้บวชได้ 4. ภิกษุมีพรรษาครบสิบแต่เป็นผู้เล e าไม่ฉลาดให้สัตธิวิหาริกบวชปรากฏเป็นผู้ด้อยกว่าสัตธิวิหาริกจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุที่ฉลาด สามารถผู้มีพรรษาครบสิบหรือเกินสิบให้สัตธิวิหาริกบวชได้ทรงอนุญาตให้มีอาจารย์สมัยนั้นอุปชายยะทั้งหลายเดินทางไปที่อื่นบ้างศึกไปบ้างถึงมรณภาพบ้างไปเข้ารีสเสบ้างภิกษุทั้งหลายไม่มีใครให้โอววาสสั่งสอน ก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อยประกอบด้วยอากาศียริยาอันไม่สมควรต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้มีอาจารย์ให้อาจารย์ตั้งจิตในอันเตวาสิก ค, คือผู้อยู่ใต้ปกครองเหมือนบุตรและให้อันเตวาสิกตั้งจิตในอาจารย์เหมือนบิดาแล้วทรงแสดงวิธีถือนิสัยคือการขออาศัยอยู่ใต้ปกครองของอันเตวาสิก และคํากล่าวตอบของอาจารย์อาจารยยวัดและอันเตวาสิกวัดครั้นแล้วทรงแสดงวัดที่อันเตวาสิกคือผู้อยู่ใต้ปกครองจะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์และวัดคือข้อปฏิบัติที่อาจารย์จะพึงปฏิบัติต่ออันเตวาสิกถ้อยทีปฏิบัติชอบต่อกัน ไม่น้อยกว่าฝ่ายละหนึ่งข้อการประนามการขอขมาการยกโทษมีอันเตวาสิกไม่ปฏิบัติชอบในอาจารย์จึงทรงอนุญาตให้มีการประนามหรือไล่การขอขมาการยกโทษให้ในทํานองเดียวกับเรื่องอุปัชายะและสัต ธ, ธิวิหาริกแล้วทรงแสดงผู้ประกอบด้วยองค์ห้า ที่ควรประนามและไม่ควรประนามตลอดจนให้อาจารย์ที่มีพรรษาครบสิบหรือเกินกว่าสิบที่เป็นผู้ฉลาดสามารถจึงให้นิสัยคือรับผู้อื่นอยู่ใต้ปกครองได้นิสัยระงับจากอุปชัยยะและอาจารย์สมัยนั้นอุปชายยะและอาจารย์เดินทางไปที่อื่นบ้างศึกไปบ้างเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงลักษณะห้าประการที่นิสัยคือการอยู่ใต้ปกครองประงับจากอุปชายะคืออุปชายะ 1. หลีกไปที่อื่น 2. ศึก 3. ถึงมรณภาพ 4. เข้ารีดเดียรถีและ 5. อุปชายะมีคำสั่งเช่นสั่งประนามคือไล่ไม่ให้อยู่ในปกครอง ครั้นแล้วทรงแสดงลักษณะ6ประการที่นิสัยระ ง, งับจากอาจารย์คือห้าข้อแรกเหมือนกับของอุปชายยะส่วนข้อที่6เมื่ออันเตวาสิกพบเข้ากับอุปชายยะคือเมื่อพบกับผู้มีสิทธิปกครองอันสูงกว่าการอยู่ใต้ปกครองของอาจารย์ก็ระ ง, งับไปคุณสมบัติของอุปชายยะห้าอย่าง ราผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงการขาดคุณสมบัติหอย่างและการประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างของภิกษุที่ทำให้เป็นผู้ไม่ควรให้อุปสมบทไม่ควรให้นิสัยไม่ควรมีสามเณรรับใช้รวมสิบหกหมวดเป็นหมวดขาดคุณสมบัติห้าอย่างในลักษณะต่างๆกันรวมแปดประเภทคือแดหมวดหมวดประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างในลักษณะต่างๆกัน รวม8ประเภทคือ8หมวดการมีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติดังกล่าวนี้โปรดดูที่แปลไว้อย่างพิสดารในพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนเล่มเดียวจบหน้า60เพียงแต่ตัดข้อที่6ออกทุกข้อและการขาดคุณสมบัติก็คือไม่มีคุณสมบัติตามที่แปลไว้นั้นคุณสมบัติของอุปชายะ6อย่าง ครั้นแล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติและการประกอบด้วยคุณสมบัติหอย่างในลักษณะต่างๆกันฝ่ายละแดหมวดรวมสองฝ่ายเป็นส6บหหมวดของภิกษุว่าควรให้อุปสมบทควรให้นิสัยและควรมีสามเณรรับใช้หรือไม่ดังที่แปลไว้แล้วในพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเล่มเดียวจบหน้าห0สิบมีข้อน่าสังเกตว่าห้าข้อหรือหข้อนั้นต่างกันที่ข้อสุดท้าย คือมีพรรษาครบสิบหรือเกินสิบคือในคุณสมบัติห้าอย่างไม่มีข้อกําหนดเรื่องพรรษาถ้าเติมข้อกําหนดเรื่องพรรษาก็เป็นหกอย่างในตอนท้ายได้สรุปถึงคุณสมบัติห้าอันมีสิบหกหมวดและคุณสมบัติหกอันมีสิบหกหมวดเพื่อกําหนดง่ายข้อปฏิบตัติต่อผู้เคยเป็นเดียร์ถี มีเหตุเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้บวชแล้วไปเข้ารีดเป็นเดีร์ถีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้เคยเป็นเดีรถ์ถีเข้ามาบวชอุปัชฌายะว่ากล่าวโดยธรรมกลับคัดค้านแล้วจากไปเข้ารีดเดรถ์ถีครั้นแล้วขอเข้ามาบวชอีกไม่ควรบวชให้ส่วนผู้ที่เคยเป็นเดีรถ์ถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องได้รับการอบรม คือปริวาสสี่เดือนคือให้โกนผมลงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายเล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยสามจบแล้วให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศขอให้สงให้ปริวาสคือการอบรมสี่เดือนเมื่อไม่มีผู้ใดขัดขานจึงสำเร็จไปขั้นหนึ่งในระหว่างสี่เดือน ถ้าประพฤติตนไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ควรบวชให้ถ้าประพฤติตนเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจจึงบวชให้อันหนึ่งได้ประธานข้อกำหนดพิเศษแก่พระญาติผู้เกิดในสากยสกุลถ้าเคยเป็นเดรัจฉีมาก่อนแล้วมาขอบวชให้บวชให้เลยไม่ต้องรับการอบรมสี่เดือน